เพราะว่าจากหลวงพ่อปานก่อนที่ท่านจะไปกรุงเทพความจริงการรับอรวัาิคราวนั้นไม่ใช่รับตาดมมาแต่ผู้เดียวมีเพื่อนเพราะด้วยกันอีกสี่องค์ด้วยกันรวมเป็นห้าองค์ไดเ้เพื่อนที่จะบอกได้ก็คือเพื่อนในป่าสององค์ที่สององค์นั้นมรณภาพไปแล้ว การมรณาภาพของท่านนางสองว่ท่านพุทธบริษัทอาตมาก็มั่นใจเลยเกินว่าท่านนางสองนั้นการตายของท่านไม่เสียเปล่าเพราะว่าในฐานะท่านเป็นลูกเสือลูกกระเคงหรือลูกเจ้าลระเคงบราณท่านไ่าอย่างนั้นขึ้นชื่อว่าเสือลูกเสือก็ต้องมีความคล่องแคล่วเหมือนพ่อแม่ ลูกเจอร์เทก็มีความอดทนเหมือนพ่อแม่ข้อ น, นี้มีอุปมาชั้นใดแม้ว่าท่านทั้งสองที่มรณาภาพเปแล้วก็มีอาการฉะนนั้นท่านมีความอดทนแต่ทุกขเวทนาอย่างมากอาการไข้ของท่านเพียบหนักทุกคนน่าหนักใจแต่ว่าคนที่เวหาท่านมาไรก็ปรกากฏแต่การทุนชื่นเขาไม่น่า แต่เริญาที่ออกมาแป็การสนแสดงความชุ่มชื่นบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ว่าการทางกายนีส่สิเราทราบกันชัดว่าท่านมีอาการป่วยหนักทุกเวทนามากเหลือเกินอันนี้เราก็ต้อ ง, งเสนอในท่ในฐานะ ท, น ท, ที่ท่านใช้สังขารุปเปก้ายานในมั่นคงมาก คำว่าสังขารุเปกขายานก็คือยานบินเครื่องรู้ในการระงับด้วางเฉยความเป็นไปของขันห้าถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายบรรดาท่านพรรุทธบริสัชทั้ทงหลายมันไม่เกิดขึ้นนานนักมันใช้เวลาไม่นานร่างกายมันก็พังฉันเพยงแต่ตั้งใจคิดว่าเราอดเปรี้ยวไว้กิงหวาน อดทนต่อการทุกทรมานที่เกิดกับตัวนี่เป็นเรื่องของโรคศิษทั้งสองอ้นที่มรณภาพไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้มา ว, าว่าเรื่องของโวคปานเวลาที่เป็ป่วยอยู่เวลานั้นก็ปรากฏว่าบรรดาโูคศิษย์รู้หาผู้มีความหวังดีต่างหาหมอกันมาหายากันมาด้วยบระการต่างๆ มารักษารุวพ่อปานแต่ทว่าอาการไข้ของท่านไม่ดีขึ้นแต่ความชุ่มชึ่นของท่านปรากฏอยู่เป็นปกติสายตาที่มองพวกเราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีว่าสายตาแจ่มใส <c oughs> ไม่เคยแสดงท่าการมีตกกังวลทางกายเลยแม้แต่น้อย ไม่สแสดงแพืา่อการทุกทางกายที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บและพวกเราก็รู้ได้ชัดว่าหลวงพ่อคราวนี้มีทุกเวทนาสาหัสมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอุจาระมันไม่ถ่ายเขาใช้ ย, ยาเหน็บใช้ ย, ยาสวนมันก็ไม่ค่อยจะออกแนาการเช่นนี้มันบอกชัดบรรดาท่านพุทธบริษัท มันบอกว่าการทางภายในของท่านไม่มีอะไรดีเส้นเลยเรื่องของแก๊สมันก็ดังขึ้นมาเราลองเอามือไปข้ะทองดังเหมือนกลองเพลงแต่ดังไม่ถึงแบบนั้นมันดังคล้ายๆกันถ้ามันดังเท่ากับกลองเพลงจริงๆละมันก็ยุ่งเหมือนกันมันดังไม่ถึงคาอขึ้นมาถึงด้านออกเลยสิโครงก็มาสักห้าสี ดังในยังได้ยินเสียงปุปุนแสดงว่าแก๊สบันดังส ม, มมามากอาการหายใจก็มีความลำบากรู้สึกมันเหน่อยและที่เวลาที่ท่านพูดกับบรรดาท่านพุทตบ ร, ริษัทที่มาเยี่ยมและพวกเราก็ตามท่างพ่อไม่เคยสแสดงาการว่ามีทุกขเวทนาใดๆเลยนี่เป็นการสแสดงออกว่าท่านมีขันติมาก และสังขารปเปกขายายของท่านชัดเจนแจ่มใสเป็นอนุว่าเรื่องความตายความป่วยเป็นของธรรมดาคืนวันสุดท้ายที่ท่านจะอยู่ที่วัดวันรุ่งขึ้นเขาเยนําไปจังหวัดพระนครคือกรุงเทพในก่อนหน้านี้ขอพูดอะไรสักนิดหนึ่งด้วยความหวังดีของลูกศิษย์บรรดาท่านพุ้ตบริษัทถ้าเขาเห็นว่าท่านช่วยข้าวไม่ได้ ว่านำโอวนตินใส่ไข่บ้างไข่ลวกบ้างไปถวายท่าน <c oughs> เขาถวายแท่านก็ฉันทุกครั้งที่เขาอะไรท่านไม่เคยปฏิเสธเป็นการเจริญศรัทธาแต่ ว, ว่าพอท่านเดียวของออกไปเราอยู่กันข้างหลงังท่านก็บอกว่าอาหารทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มีประโยชน์ที่ท่านฉันไม่ถวายไม่ใช่ว่าท่านชอบ ท่านฉันเพื่อทำใจเราบรรดาท่านผู้ให้มีความชุ่มชื้นเพราะเขาเห็นว่ามันมีประโยชน์จะสามารถจะส่งร่างกายไว้ได้แต่ท่านกระกับพูดย้ำว่าคราวนี้ฉันอยู่ไม่ได้ดกรัตเธอพวกเธอทั้งหลายจงอยา่าอย่าสลดใจอย่าเสียใจ เวลาที่ท่านพูดก็เป็นเวลากับพอดีที่อาตมาพูดเหมือนกันเป็นเวลาสองนาฬิกาความจริงนี่ว่าจะหยุดแล้วนะไปมองนาฬิกาเห็นสองนาฬิกาพอดีก็เลยพูดเขาว้าพะมันเป็นเวลาที่รู้สึกจะพูดว่าสะเทือนใจมันก็ไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นจุดของหัวใจจุดหนึ่งที่มีความสาคัญ ที่ยันลืมถ้อยคำของพ่อปานที่เป็นปัจฉิมโอวาทสิมไม่ได้เวลานั้นพวกเราห้าคนนั่งเฝ้าทั้งอยู่พระนเรียกเข้ามาใกล้มองดูหน้าท่านจำได้ว่าทุกคนเป็นพระที่มูมมีรักในสมถากรมมฐานมีประสากรมมฐานทำงานทุกอย่างตั้งแต่เช้ายันค่ำ ไม่ใช่นักจเจริญกมาถฐานเข้าถ้าแล้วก็ไม่โผล่ไม่ใช่แบบนั้นเราทํางานการทุกอย่างการศึกษาด้านปริยัติแล้วก็ทําแล้วก็เรียนงานแล้วก็ทกาํากมามฐานก็นปฏิบัติไม่เห็นว่ามีอะไรที่มันจะขัดกับสมาธิกับปัญญาไม่มีเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทมันทรงอยู่ตลอดเวลานี่มันเป็นอย่างนี้ ท่านเรีกก็มาใกล้ท่านก็นกกนบอกว่ารูปรักวันพรุ่งนี้พ่อจะต้องไปกรุงเทพท่านพูดเหมือนกับคนไม่ป่วยท่านบอกว่าเขาเอยาพ่อไปรักษาแต่ประโยชน์มันไม่มีเลยรูปรักพราะปีนี้มันเป็นวาระสุดท้ายในชีวิตของพ่อพวกเธอทั้งหลายมีความสนใจในด้านการเจริญสมาถะกรรมาฐานนิพพานากรรมาฐานกันดีมาก สิ่งทั้งหลายเหล่านี้และบรรดาลูกหลักศีล ส, สมาธิปัญญาเท่านั้นที่จะช่วยตัวเราได้เพื่นจีวสัพย์พิงทั้งหลายภายนอกอันเป็นโลภยาสัพย์ไม่มีทางที่จะช่วยกันได้เลยบรรดาลูกทั้งหลายจงมองดูพ่อสร้างวัดกีวัดสมบัติของสง์โดยเฉพาะ อ, อย่างเยี่งที่วัดบานำโคเอาเฉพาะของใช้ ถ้าชาวบ้านจะทำงานคราวเดียวกันห้ารายก็จะใช้กันได้อย่างฟุ่มเฟือยของจะไม่ขาดแคลนด้วยว่าสิ่งนังหลายเหล่านี้ทั้งหมดที่พ่อทำไว้ก็ดีที่วัดนี้ก็ตามวัดอื่นก็ตามเวลานี้พ่อป่วยไข้ไม่สบายมันช่วยอะไรพ่อได้บ้าง ทรัพย์สมบัติทั้งหลายไม่สามารถจะช่วยทุกขเวทนาได้ขอลูกทั้งหลายจงจำไว้แล้วเมื่อเวลาพ่อจะตายมีทรัพย์ส่วนไหนบ้างที่มันจะพยุงกายพ่อไม่ให้ตายได้นี่พ่อสร้างความดีมามากแต่ขันห้ามันก็ไม่เคยตามใจพ่อพ่อเคยคิดว่ามันยังไม่ควรจะแก่มันยังไม่ควรจะทุบโทรมเพิ่มขนาดนี้ แต่ถ้าว่ามันรอพ่อมาไลยละมันไม่ได้รับคำสั่งไม่ได้ฟังคำสั่งมันปฏิบัติตามหน้าที่ของมันนี่กฎธรรมดาของขันห้านาะโรรักจำไว้ให้ดีนี่ปัจฉิมโอวาตของท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทจับใจบรรดาคณะลูกศิษย์ทุกหาที่ได้รับในวันนั้นอย่างมาก เขาก็เลยพูดต่อไปว่าเจ้าท่างหลายอยู่กับพ่อคนละห้าปีสี่ปีสามปีสองปีก็ตามแต่เจ้าก็ใกล้ชิดมากคำว่าใกล้ชิดในทีน่นี้พ่อไม่ได้หมายความพ่อนั่งอยู่เจ้านั่งไกลหรือว่าพ่อไปไหนเจ้าตามพ่อไม่ได้หมายความว่าอย่างนี้ ความหมายความนั้นว่าความดีที่เจ้าปฏิบัติกันในด้านสมถภาวนาวิปัสนาภาวนานี่พวกเธอทั้งหลายตั้งใกล้ชิดพ่อมากมีความเคารพในคุณพระรัตนตรยัย <c oughs> ปฏิบัติความดีทางใจกม่ด้ขาตอันนี้จะเป็นที่พึ่งใหญ่ของเจ้าวิชาความรู้ใดๆทั้งหมดพ่อไม่เคยปกปิดเจ้า เมื่อเธอทั้งหลายคิดว่าพ่อตายไปแล้วเจ้าจะไม่มีที่พึ่งว่าจงอย่าคิดอย่างนั้นที่พึ่งทั้งหลายพราะให้เว้นแล้วดูแต่องค์สมเด็จพระบพิธแก้วที่พูดกับพระอานนุ์ว่าอนันธาดูก่อนอ น, นุ์เมื่อตาหาคตปรินิพานไปแล้วพระธรรมวินัยเท่านั้นที่จะเป็นาศาสดาสอนเผอ นี่พวกเธอก็เหมือนกันลูกรักทั้งหลายที่พวใช้คำว่าลูกรักพอรักทุกคนลูกของพ่อแต่แ้่ว่าพวกเจ้าทั้งห้คนนี้เป็นคนที่รู้จักเอาใจพ่อมากที่สุดคำว่าเอาใจก็หมายถึงว่าพอใจในการให้ทานพอใจในการรักษาศีลพอใจในการเจริญภาวนา หรือว่าพยายามติดตามพ่อทุกอย่างพ่อถือว่าเจ้าเป็นคนใกล้ชิดและเอาใจพ่อเพราะพ่อรักคนเภบนี้แต่ว่าจงอย่าถือว่าพ่อไม่รักคนอื่นอย่าไปพูดอย่างนั้นรักเหมือนกันหมดแต่ว่าถ้าใครปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จพระสุคต์ก็รักเป็นพิเศษ ที่รักก็เพราะว่าเขาจะไม่ยอมไปอบายภูมิอันนี้เป็นที่พอใจของพ่อพวกเธอทั้งหลายฟังพ่อแล้วจงอย่าเสียใจเวลานั้นความรู้สึกของพวกเราเป็นยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัทอยากจะปล่อยให้นั้มตามันไหลโชคออกมาเสีย ท่านพูดมาแล้วพูกเราจะพูดตอบก็พูดไม่ไหวมันตื้นตันใจไปหมดจิตใจทุทกคนอาจจะมาคิดว่าเหมือนกันเพราะจะไปมองหน้าใครบรรมดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายดูหน้านินมันนะดูในตามันชื้นไปได้น้ําแต่ว่าไม่มีใครปล่อยน้ำตาไหลออกมาก็ได้ฐานะที่ตนเป็นพระ ที่นําตาเชื่อนออกมานั่นไม่ใช่เสียใจมันเป็นธรรมปีติที่มีความปลื้มใจที่หลวงพ่อถึงแม้ว่าจะป่วยขนาดนั้นท่านก็นยังรวบรวมกําลังใจของท่านให้ไววกับพวกเราแล้วก็ถือว่าเป็นบัตรชิมวาจาเราชักทรากัอยู่แล้วว่าการป่วยคราวนี้หลวงพ่อไม่ไม่รอดแม่ต้องตาย ถ้าจะพูดถึงกำลังใจเราก็เป็นคนมีความรู้สึกบรรดาท่านผู้บริษัทพระไม่ใช่หัวต่อจะได้ไม่มีความรู้สึกอะไรโดยเฉพาออย่างยิ่งอางอตมาก็เป็นพระพุ้ดุชนในขนาดนั้นปรัถนาพุทธภูมิเมื่อท่านพูดมาแล้วก็ตื่นตันใจท่านมองหน้าพวกเราพวกเราก็นิ่ง ท่านก็นิ่งไปพักใหญ่คำว่าพักใหญ่ก็ประมาณสักสองสามนาทีท่านก็บอกว่าลูกรักทั้งหลายจะเสียใจไปเพื่อประโยชน์อะไรขันห้านี่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในขันห้ากันห้าไม่มีในเราพอบอกเจ้าอยู่แล้วว่าขันห้ามันเป็นบ้านที่อาศัยเราเช่าอยู่ชั่วคราวเท่านั้น เราเมื่อบ้านพังเราก็ต้องไปหาบ้านใหม่บ้านของพวกเธอทั้งหลายพากันสร้างไว้สวยสดจุดงามด้วยอนนานาจของวิหารทานเธอจงใช้อนนานาจที่ประโยชน์ยานดูต่อไปว่าภาวะทั้งหลายเมื่อเจ้าทั้งหลายละอัตภาพจากความเป็นมนุษย์แล้วจะไปอยู่ที่ไหน นี่พ่อทราบแล้วว่าเจ้ารู้ที่อยู่ของเจ้าท่านเงียบแล้วก็มองหน้าแล้วก็ถามว่าพ่อพูดอย่างนี้เข้าใจไหมพวกเราพนมมือกันอยู่แล้วเวลาฟังโอวาท <c oughs> นั่งพับเพียบพนมมืออยู่แล้วก็ก้มศีรษะลงอมือยกขึ้นมาลนมัสการบอกทราบแล้วขอรับ ว่าเจ้าภูมิใจไหมที่มีบ้านสวนสวยพรกราบเรียนท่านบอกว่ามีความภูมิใจมากที่เกิดมาไม่เสียทีเกิดในฐานะที่เป็นสาวกโคองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้หลวงพ่อเป็นคน้นำท่านยิม้มบรรดาท่านพุทธบริษัท นับตั้งแต่วันป่วยมาจนกระทั่งถึงวันที่พูดกันท่านพิ่งยิ้มครั้งนั้นยิ้มอย่างสดชื่นบอกไม่ถูกทำให้จิตใจของบรรดาพวกเราเต็มตื่นอยากจะร้องไห้และว่าท่านนางหลายพระต้องเป็นพระถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่พระแท้แต่ว่าพ่านเหลืองเป็นพระ กางโกนทิะเป็นพระก็ต้องใช้อธิวาธนะขันติแล้วว่าขันติก็ละกันอดกลั้นดันน้าตาให้มันกลับเข้าไปาำไมไม่ยอมให้มันไหลออกมาข้างนอกในใจมันบอกว่ามันร้องไห้แต่ภายนอกมันบอกว่าไม่มีอาการสงัด และท่านก็พูดต่อไปว่าลูกรักทั้งหลายถ้อยคำ ใ, ใดๆที่พ่อสอนเจ้าเจ้าทำได้ทุกอย่างแล้วก็ครูบาอาจารย์องค์ใดที่ควรอัติยาสัยของวกเจ้าพวกก็าพาไปพบแล้วการศึกษาในศาสนาขององค์สมเด็จพระบระทิบแก้วบรมศาตรีดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ใช่ว่าเราจะรักษากันอย่างเดียวอาจารย์เดียวแล้วก็จะได้บรรลุมรรคผลเพว่าคนที่จะเป็นพระอาเรียเจ้านั้นจะต้องศึกษากับพระอาเรียเจ้าเรื่องนิพพานพ่อมีความเข้าใจแต่แตาว่าไม่ใช่วีสัยของพ่อที่จะสอนได้บรรดารุกรกเพราะอะไรเพราะว่าพ่อปรารถนาพุทธภูมิ ฉะนั้นการปฏิบัติตัวของพ่อก็ยังอยู่ในขั้นชันโลภีเสมอไปแต่ว่าอาศัยกำลังใจเท่านั้นที่มีความเด็ดเดี่ยวมีความเข้มแข็งนั้นบรรดาพระทั้งหลายที่พ่อพาไปหาพ่อทราบว่าบรรดาเจ้าทั้งหลายปรรถนาพระนิพพาน และก็มีอุปนิสัยจะเข้าถึงพระนิพพานกันได้โดยไม่ยากพ่อจึงได้พาไปฝากให้เรียนจากสังฆอาจารย์ต่างๆที่ท่านเป็นพระอระหันต์ความจริงพว้เราก็ทราบกันอยู่แล้วเมื่อเวลาที่ท่านอยู่ท่านจะไม่เรียกพระอระหันต์เฉยๆท่านบอกว่าพระองค์นั้นมีอนิสมีนิสัยหรือมีอุปนิสัยเหมือนพระอระหรันต์ พระองค์นี้มีจริยาเหมือนพระอาหารหันต์แต่ว่าเวลานี้ท่านกำลังใกลยย้จะตายท่านก็ทิ้งท้ายบอกว่าพระที่พ่อพาไปเป็นพระอาหารหันต์ทั้งนั้นแล้วในเมื่อพระอาหารหันต์คนต้องการเป็นพระอาหารหันต์ก็ต้องเรียนกับพระอาหารหันต์ถ้าครูบาอาจารย์ไม่ใช่พระอาหารหันต์จะสอนลูกศิษย์ให้เป็นพระอาหารหันต์ไม่ได้ เพราภูมิแห่งการปฏิบัติไม่เหมือนกับหลักทฤษฎีคือหลักวิชาตามดำราการปฏิบัติจริงมีหลายสิ่งที่พลิกแปลงไม่เหมือนดำรามีอยู่มากฉะนั้นบุคคลที่จะเข้าใจคำสอนพระองค์สมเด็จพระพู้ทธมีพระพ่าจ้าจะต้องมีอารมณ์เข้าถึงอย่างน้อยก็ที่ทิศยุคยานเบื้องสูงไม่ใช่ทิศยุคญานเบื้องตำ่ำ ที่ไปอยู่ขุยานเบื้องสูงนั่นจะมีส่วนได้คือเห็นผีเห็นบรรดาเห็นพรหมเห็นนรกเห็นสวรรค์ได้รู้ว่าสัตว์ที่ตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนคนละสัตว์ที่มาเกิดนี่มาจากไหนแล้วก็รู้วาระน้าจิตของตนและบุคคลอื่นทะลึกชาติได้รู้เรื่องราวนาดีตอนาคตปัจจุบันรู้กฎของกรรมของตนเองและของบุคคลอื่น นี่ท้าได้ทิพยคุยานเบื้องสูงอย่างนี้ทุกคนจะค้นคว้าศาสนาข้าองค์สมเด็จพระชินศสีได้ดีแต่ว่าเรื่องของนิพพานก็ยังเข้าใจไม่ได้จะเข้าใจได้ก็เมื่อจิตเข้าสู่โพตรคุยานแล้วตอนนี้จะมีความเข้าใจในคําสอนข้าองค์สมเด็จพระบาททิพแก้วได้ดีท่านพูดแล้วก็นิ่งข้ายันเลย พวกเราก็น้าตากลอบรรดาท่านพู้บริษัทแต่แเราก็มีกำลังใจดันน้าตากลับเข้าไปใหม่ว่าแกอยไหลก็ไหลอยู่ข้างในอย่ามาไหลข้างนอกก็เดี๋ยวหลวงพ่อจะเศร้าใจเวลาท่านป่วยไข้ไม่ส บ, บายเรามีความต้องการกันอยู่อย่างเดียวคือไม่ต้องการให้หลวงพ่อสะเทือนใจและไม่ต้องการให้หลวงพ่อเห็นว่าเราเป็นคนอ่อนแอ แต่ ว, ว่าท่านพุทธบริษัทท่านคิดแล้วไม่ว่าหลวงพ่อปานจะไม่รู้ท่านรู้ดีมากตามนังสีเธอเขียนว่าเขาไม่รับรองปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อปานอาตมา ก, ก็ขอรับรองคํานั้นในความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของปาฏิหาร มันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์เรือสมถภาพที่เราได้จากคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้ามันเป็นของธรรมดาธรรมดาในบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านนิ่งแล้วท่านก็มองหน้าทันมหาธรรมมาบอกว่าลิงดำลกรักเจ้าเป็นลูกพ่อมานานคําว่านานนี่หมายถึงว่าหลายชาติ เจ้าเคยใช้ปุเพนิวาสานุสติยานดูบ้างหรือเปล่ า, าก็กรมทิศะลงก็นมเออยู่แล้วรับท่านบอกว่าเคยดูโพรับก็ทราบชัดแล้วหรือบอกว่าทราบชัดแล้วตอบท่านไาอย่างนั้น <c oughs> นั่นก็เลยบอกว่าเจ้าเป็นลูกพ่อมานานเจ้าก็มีความเข้มแข็ง เจ้าปรารถนาพระโพธิยาณมีอารมณ์ใจเด็ดเดี่ยวมากก็มีอารมณ์มามุมาณมากมีคติยะมานะติดมามากเขาเคยเป็นกัตสัตว์นับเป็นร้อยร้อยชาติเป็นพันชาติเคยเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเคยเป็นนายทหารเป็นแม่ทัพผู้ใหญ่เคยเป็นพ่อบ้านแม่เมือง คติยะมานะในความเป็นผู้ใหญ่ย่อมติดตัวมาเป็นของทั้งบรรดาเป็นอนิสัยเดิมแต่ว่าเวลานี้เจ้าจงอย่าลืมว่าเจ้าเป็นพระจงวางคติยะมานะนั้นเสียเวลานี้เราไม่ใช่กษัตริย์เราไม่ใช่พระเจ้าจากักรพรรดิเราเป็นทหารของพระพุทธเจ้าคือกองทัพธรรม จนยึดจงยึดพระธรรมวินัยให้เป็นเป็นของที่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด <c oughs> จงมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมสุคตเจ <c oughs> ้าปราธถนาพุทธภูมิจงยึดและจงทราบไว้ดีว่าความเป็นพุทธ ภ, ภูมิของเจ้าจะไปไม่นานนะักเมื่อการเวลาผ่านไปไม่นาน บรรดาอารัชีทั้งหลายจะมีอำนาจจะย่ำยีพระบิสุสงพ์พื่มีพผู้มีศีลบริสุทธ์แล้วทรงศีลสมาธิปัญญาต่อไปขณะอารัชีจะมีอำนาจพวกเราจะลำบากเวลานั้นเจ้าจะเบื่อหนายในความเบ็นพระเบื่อพระ แล้วเจ้าก็เจะลาจากพุทธภูมิอันนี้พอ่อทราบแล้วว่าเจตนาที่เจ้าขึ้นมานี่ปรารถนาเจะลาพุทธภูมิตัดตรงแต่เจ้าเองไม่ได้ดูตัวของตัวเอง <c oughs> ไม่ได้พิจารณาของตัวเจ้าไปบนรมไปพบเพื่อน <c oughs> เพื่อนดีใจบอกว่าลงไปแล้วตั้งใจจะกลับมาและหิ่สูงกว่าเดิม ย่าก็กลับคิดว่าคิดว่าจะเป็นพรมสูงกว่าพรมชั้นเก่านั่นมันไม่ใช่นั่นหมายความว่าจะไปดินแดนที่สูงสุดในการนั้นถ้าหากว่าเจ้าลาพุทธภูมิก็คงจะสำเร็จจิตเป็นพุทธสาวสนาภายในสามเดือนฟังของท่านในดีนะบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านใช้คำว่าคง ท่านไม่จะยืนยันเพราะท่านไม่แฉ่พระพุทธเจ้าเพราะท่านบอกว่าเจ้ามีความเข้มแข็งมากแล้ว่าพ่อขอี่อย่างหนึ่งคติยะมานะการถือตัวการปฏิบัติตนเอาตนรอดอย่าทำอย่างนั้นแต่ว่าจงช่วยจงช่วยตัวให้เข้าถึงจุดสาคัญคือสูงสุดของพระพุทธศาสนา และก็พยายามอบอุ่นบรรดาบริษัทของเจ้าคนดีของพ่อคนดีของโยมเจ้าคนดีคําว่าของโยมเจ้าเป็นของไทยบรรดาท่านพุทธบริษัทพูดไปก็เป็นของลํำบาก <c oughs> เขายังมีอยู่ยมากเจ้าลัทธาในคราวนี้คนที่หวังจะติดตามไปจบจุดพุทธภูมิจะมีความลาบาก จงพยายามกวาดต้อนพวกนี้ไปให้เข้าจุดดาวดึงให้หมดเป็นอย่างน้อยแล้วต่อไปข้างหน้าเจ้าจะพบมากขัะนาที่พบเวลานี้ยังไม่ได้หนึ่งในร้อยของความจริงที่จะพงึงมีข้างหน้าขาย่อมมารวมตัวกันการสร้างวิหารทานลกรักเป็นปัจจัยให้เท่าให้พวกดาบัรดาพวกเขาเข้าถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นอย่างน้อย แล้วเมื่อเจ้าสร้างศรัทธาแบบนั้นได้แล้วจงแนะนําได้วยด่างสมถาวิปัสนาตามความสามารถที่เจ้าได้ขอเจ้าจงคิดว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้มีบุญคุณเจ้าจงเป็นคนรู้คุณคนจงเป็นคนมีความกตัญญูรู้ความดีของบุคคลอื่น อย่าทำลายความดีของบุคคลอื่นโดยไม่สนองความดีเขาแล้วหนีเข้าไปทำอย่างนั้นไม่ได้นะลูกนะเวลาการข้างหน้ามีมากในประการหนึ่งกรรมเก่าเจ้าเคยเป็นกษัตริย์เคยเป็นพระเจ้าจาักรพรรดิแล้วก็เคยเป็นนายทหารผู้ใหญ่ที่มีที่มือสร้างกรรมไม่มากอุปรสรรคร้ายมันจะเกิดกับเจ้าทุกขณะที่ทำความดี ทั้งในด้านวัตถุและก็ทั้งในด้านปฏิบัติธรรมจะมีอุปสรรคมาขัดขัดขวางยังคาดไม่ถึงเจ้าจงอดทนจงเถือพยทานเป็นสำคัญท่านพูดมากกว่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านแต่ว่าเทพนี่มันสั้นสามสิบนาทีเท่านั้น ก็ขอยับยังไว้แต่เพียงเท่านี้ท่านย้ําไปทีว่าถ้าหากว่าเจ้าเจ้าตัวรอดบุญบารมีของเจ้าพอแล้วแล้วงานก่อสร้างของเจ้าไม่ต้องทําต่อไปก็ได้การทําต่อไปก็ถือว่าเป็นการสนองคุณงามความดีบุญคุณของบุคคลผู้มีคุณก็แล้วกันยายเห็นกับความเหนื่อยอยากอย่าท้อแท้ตัวอุปสรรคเจ้าจะพบอุปสรรคอย่างหนักต่อไปในการขึนน้นมา จงจำคำของพ่อไว้ว่าเราจะให้อภัยแกบุคคลผู้ผิดแล้วท่านก็นหาหันไปหาเพื่อนน้องสองว่าเจ้าทั้งสองที่เป็นมิจฉาเนี่สามคนคนหนึ่งต้องเป็นนี่ชาวบ้านต้องอยู่กับชาวบ้านเวลานี่พวกทราบว่าลิงดำคิดว่าพ่อตายแล้วจะเข้าป่าม่อเผาพ่อแล้วไปไม่ได้นะลูกนะ ต้องอยู่สู้หน้ากับคนอยู่สู้หน้ากับเจ้านี้ชำระหนี้ให้ครบถ้วนแล้วจึงไปความสมบายใจมันจะได้เกิดแต่ว่าสององค์นี้เข้าป่าได้ลูกรักเพราะว่าสีญญาส ม, มาบัติของเจ้าจะไปอันตรายกับพระและบคุคคลที่เขาไม่มีความขอรบเขาจะดูถูกดูหมิ่นเจ้าอันตรายจะมีกับเขา เมื่อพ่อตายแล้วเผาพ่อแล้วเข้าป่าได้เป็นสิทธิของเจ้าเจ้าไม่เป็ น, นหนี้ใครตะได้ว่าหาว่าเจ้ายังไม่ไปก็รอพรรษาถึงสิงบพรรษาแล้วต้องเข้าป่าทันทีเนี้ยเมื่อท่านให้ ว, า, วาดแบบนี้แล้วท่านก็บอกให้กลับก่อนจะให้กลับท่านก็บอกว่าจงจําไม่ว่าทานศีลภาวนาในลกูกหัก เป็นสมบัติของเราเป็นที่พึ่งของเราได้พบมองดูเวลาเป็นนาตีมันสี่นาฬิกาก็ลกลับทิ้งที่ก็คิดว่านี่ไม่ใช่เวลาของที่เราจะนอนถ้าพักก่อนนิดเดียวไม่เป็นไรก็ใกล้เวลาวินาทีสององค์มีความสามารถเป็นพิเศษท่านก็เลยเข้านิโรธสมาบัติตั้งเวลาไว้สองชั่วโมงอาดมายังตั้งกับเขาไม่เป็น ก็เลยเข้าสมาบัตหนึ่งวิ่งฝึงเดียวชนสมาบัตแปดนอนแข็งตามสบายพักใหญ่นึกเอ๊ะว่าเราจะมาอยู่นี่ทำไมถอยหลังมาอยู่สมาบัตสี่พุ่งตัวทีเข้าไปบ้านที่เขาปลูกปาเห็นแล้วเว็นนอนมันบ้านแก้วมันมีความสวยมองดูเวลาหกนาิกากลับลงมาคลองผ้าออกเป็นมินาบาัดตา